จกระทั่งเจ็บตัวไม่งั้นก็เกิดเรื่องแน่บางทีคนเราเนี่ยนะก่อนที่จะทาอะไรไปนี่มันก็ต้องต้องคิดหน้าคิดหลังซะ ก, ก่อนนะอย่าเพิ่งด่วนสรุปนะหาโทรศัพท์ไม่เจอในกระเป๋าเนี่ยนะอย่าเพิ่งไปคิดว่ามีคนลักเอาไปนะบางทีมันอาจจะอาจจะลืมไว้ที่บ้านหรือว่าอาจจะลืมไว้ที่ไหนก็ได้หรือว่าทำตกหลน่น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 ลอมันชี้ฟ้าก็เป็นนึกว่าลอนั้นน่ยนะมันเป็นหน้าผู้หญิงนผมยาวบังเอิญเป็นกลางคืนซะด้วยนะไอความกลัวความเชื่อเรื่องผีเนี่ยพอเห็นลอนี่ก็มองว่าเป็นภาพเป็นหน้าผู้หญิงผมยาวกําลังมองมาที่อาสาสมัครกู้ภัยนะ